เป็นวันที่มีหลายระลึกนะครับในในตามปฏิทินนะครับตามปฏิทินจะมีหลายระลึกมากนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่50หลังจากพีเอสคิตส่งเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเป็นวันที่50วันที่50นะครับเราก็เรียกว่าวันเพนเทคอสเตนะครับหรือวันรับพระบัญญบริสุยสุดนะครับ อ๋อครับครับก็เป็นวันรับพระบิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นวันรับพระบัญญัตบริสุทธิ์และก็ถือว่าวันนี้เป็นวันกําเนิดคิตจักนะครับวันนี้ก็เป็นวันกําเนิดคิตจักรด้วยนะครับฉะนั้นก็เราเชื่อว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของคิตจักรนเวลาเดียการสภาคิตจักรในประเทศไทยก็กําหนดให้วันนี้เป็นวันระลึก หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคุณสภาขิ้นจักในประเทศไทยด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราเนึกถึงสามบรรยากาศอย่างน้อยคือวันรับพระวิญญาณบริสุดนะครับวันที่วันกําเนิดขิ้นจักนะครับวันกําเนิดขิ้นจักและอีกอันหนึ่งก็คือวันระลึกการเผยแพร่ก็คือการออกไปบอกข่าวดีการออกไปประกาศนะครับข่าวดีของพระเจ้าขอบคุณครับดนั้น ก็เหมนที่ผมบอกว่าอย่างน้อย3มอย่างก็ที่เกิดขึ้นก็คือวันเพนเทคอส์นะวันหรือเราเรียกว่าเพนเพทคอสเต้นคือวันรับพระบัญญัติบร์สุธดวันกําเนิดคิดจักและก็วันระลึกในงานเผยแผ่พระกิตติคุณอันที่จริงหลายคนนะครับส่งข้อมูลมาแต่เช้าแล้วก็บอกว่าวันนี้นะครับมีหลายอย่างเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเพนเทคอสเป็นวันที่พระเจ้าประทานพระบัญญัตบริสุธดให้แก่ผู้เชื่อทุกคน เป็นวันกำเนิดคิตจักเป็นวันแห่งความเป็นเอกภาพหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นวันแห่งการรับพลังเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะเพื่อการรับใช้เป็นวันแห่งการเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐทำมิชชันการส่งมิชชันนารีเป็นวันแห่งพระพรและส่งต่อพระพรเป็นวันระลึกการเผยแพร่พระกิติคุณแล้วก็บอกว่า ขอพระเจ้าทรงประทานชีวิตใหม่และสวมทับด้วยพระบัญญาติสุดรทรงนำท่านในการรับใช้นะครับอันนี้ก็หลายคนก็ส่งมาแต่เช้าว่าเนี่ยวันนี้มีความสำคัญวันนี้เลยให้หัวข้อว่า Happy Birthday to our dear church นะครับก็ถ้าจะแปลว่าไงว่าสุขสัรด์วันเกิดขึ้นจักหรือว่าสุขสัรด์วันเกิดขึ้นจา ก, อ, า ก, จากอันเป็นที่รักของพวกเรา แต่นี้ก็เป็นภาพไม่ใช่วันเกิดของกิดจักคิดคนนอนุกูนเท่านั้นนะครับแต่วันเกิดของทุกๆคิตจักรนะครับทุกๆคิจจักรนะครับพระเจ้าธรรมของพระเจ้า2ตอนที่อยากจะนํามาก็คือพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่2องข้อหถึงข้อสจริงถ้าจะอ่านทั้งหมดแต่ว่าจะขออ่านข้อ 1- ถึงข้อ4ีพอนะครับเมื่อวั น, นเทศการเพนเตคอสมาถึงจําพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นกล้องทั่วตึกมีเมื่อที่เขานั่งอยู่นั้นมีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนเขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดอีกตอนหนึ่งนะครับอันที่จริงนี้เป็นคําเปรียบที่อาจารย์ปรโปโรได้เขียนไว้ ในเอเฟซัสบทที่หขายี่บสองถึงสาสิบสาบอกว่าฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคิตตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระลงและพระลงทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคิตตจักรคิตตจักรยอมฟังพระคริสต์ชันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉะนั้น ฝ่าสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคิดทรงรักคิตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคิตจักรเพื่อจะได้ทรงให้คิดจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระจนะเพื่อพระองค์จะได้ทรงเพื่อจะได้มีคริตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตําหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตําหนิเช่นนั้นแหละสามีจึงจะจึงควรจะรักภรรยาของตน เหมือนกับรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองเพราะว่าผู้ที่เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนพระกริชได้ทรงกระทําแก่คริตตจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระ ก, กายของพระกริชเพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงรักบิดามดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันข้อ3 2มนะครับที่เน้นก็คือ ความจริงที่ฝังอยู่ในข้อนี้สำคัญส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคลิตตจักรถึงอย่างไรก็ดีทุกท่านท่านทุกคนจงต่างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามีของตนขอสงบใจที่ฐานพระเจ้าแค่แต่พระพูกเป็นเจ้าขอประทานพระพรของโปร่งมาแก่ พุทธะรับใช้ของโปร่งในการเผยความจริงแห่งพระเจตนธรรมของโปร่งและผู้ฟังทุกคนที่จะได้รับความเข้าใจที่มาจากโปร่งโปรดขจัดสิ่งต่างๆที่จะทําให้ค้าพุททั้งหลายคุ้ยแขวทําให้ค้าพุททั้งหลายไม่เข้าใจในน้ําพระทัยของโปร่งให้ห่างไกลจากขราพุท์ทั้งหลายเพื่อเวลานี้ค้าพุททั้งหลายจะได้รับพระพรของโปร่งผ่านทางพระเจตนธรรมของโปรองร่วมกันทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับคําว่าคิดจักคำนี้นะครับกิดจัก มาจากรากศัพท์ภาษากรีกที่ใช้คำว่าเอเคเซียนะครับเอเคเซียซึ่งหมายคำว่าที่ประชุมหรือผู้ที่ถูกเรียกออกมานั้นรากศัพท์ของคำว่าคิตจักรไม่ได้หมายถึงตัวอาคารแต่หมายถึงผู้คนนะครับหมายถึงผู้คนนั้นเมื่อเราพูดถึงคิตจักรไม่ได้หมายถึงตัวอาคารนะรไม่ได้หมายถึงตัวโบสถ์แต่เราหมายถึงผู้เชื่อนะครับ ในพระธรรมหนึ่งโครินนะครับหนึ่งโครินบท6กข้อสิบเกท่านอาจารย์เปโลก็นะครับได้ได้พูดในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอาจารย์เโลได้กล่าวว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวของท่านเองพระเจ้าได้ทรงซื้ อ, อ พระเจ้าได้ส่งซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่เน้นให้เราเห็นว่าอาจารย์พโนว่าร่างกายของเราเป็นวิหารของพระคลิปนั้นเมื่อเราพูดถึงว่าคิตจักเอกเคเซียเนี่ยแปลว่าที่ประชุมหรือผู้ที่ถูกเรียกออกมานั้นคิตจักจึงไม่ได้หมายถึงตัวอาคาร ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงคิดจกักราจึงมุ่งเน้นไปผู้ตัวผู้เชื่อมากกว่าตัวอาคารแต่หลายที่ก็เราก็จะไปเน้นตัวโบสตัวอาคารนะครับว่าเอาคิดจักระือตัวอาคารแต่จริงๆคิดจักระือผู้เชื่อนะครับที่ประชุมงา น, นคิดจักรหลายแห่งก็อาจจะมีที่ประชุมมีที่นมัสการที่แตกต่างกันไปนะบางบางบางโบสก็ใช้หลายรอบ ในกรุงเทพตอนนี้โบสถ์บางแห่งใช้อย่างน้อยสามรอบรอบเช้ามีคิดจักชื่อหนึ่งมานมัสการรอบที่สองมีชื่อหนึ่งรอบบ่ายมีชื่อหนึ่งบางทีก็มีรอบเย็นเข้าไปอีกั้นแสดงว่าไม่ได้ติดยึดที่ตัวาตัวอาคารนะครับไม่ติดยึดที่ตัวอาคารแต่คิดจักหมายถึงที่ประชุมหมายถึงกลุ่มผู้เชื่อนะครับงั้น ลากศพจริงๆอ่ะจึงหมายถึงกลุ่มผู้เชื่อแล้วหลายคนก็ถามว่าเอ้าแล้วถ้าอย่างนี้ที่นี่เราจะเรียกว่าโบสถส่วนใหญ่นะครับเมื่อก่อนเราก็จะเรียกว่าโบสถ์คิดจักรคิดคนานุกุลแต่ตอนหลังเราก็ใช้คําว่าคิดจักรมันก็เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปนะครับแต่จริงๆนี่คือตัวโบสนะครนี่คือตัวโบสนะครับตัวอาคารแต่ว่าผู้เชื่อทุกคนมันที่ ท่านอาจารย์ปรโรได้กล่าวว่าร่างกายของเราเป็นวิหารคือเราแต่ละคนแต่ละคนนะครับเป็นวิหารของพระกฤษแล้วก็เอามารวมกันด้วยอันนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญดงนั้นวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องในเรื่องของคิดจักนะครับอย่างน้อยนะครับเมื่อเราพูดถึงคิดจักเนี่ยอยากจะให้เรามองสองมิติคิดจักที่เป็นเราทั้งหลายที่เป็นตัวบุคคลนะครับอย่างผมคนหนึ่งท่านทั้งหลายคนคนหนึ่งเนี่ย กับคิดจักรที่เป็นชุมชนผู้เชื่อคือที่ประชุมผู้ที่ถูกเรียกออกมาเหมือนเราทั้งหลายเนี่ยเราเรียกว่าคิดจักรที่เป็นชุมชนผู้เชื่ อ, เ, อเมื่อเรามองเนี่ยอยากจะให้เรามองทั้งทั้งสองมุมไม่ได้มองเฉพาะตัวเราถ้าเราบอกว่าเออเราเป็นคิดจักเราไม่ต้องมาบสถก็ได้เนี่ยพระเจ้าก็อยู่กับเรางั้นเราอยู่บ้านก็ได้ก็อันนี้ก็อาจจะถูกมุมหนึ่งนะครับถูกถูกส่วนหนึ่งว่าโอเคใช่ แต่การมาเหมือนที่บอกว่าการมาร่วมสามัคคีธรรมก็หลายๆคิดจักมาร่วมกันเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนหลายคนบอกว่าเปรียบเหมือนเหมือนอิฐหลายๆก้อนมาก่อสร้างขึ้นมารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ก็วันนี้ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในเรื่องของอคิดจักทิราของเรานะครับอันนี้ก็ภาพเหล่านี้ ไม่แน่ใจถ่ายเมื่อไหร่อันนี้พบในในคุณกูนะฮะคุณ g ูณ Google เกิลให้มานะครับก็ไม่รู้ว่าใครแชร์เมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับยังเป็นใส่เื้อเหลืองกันอยู่นะครับก็อยู่ก็คงไม่น่าจะนานเกินไปเท่าไหร่ไหมนะครับดูนะครับก็มีคนมากมายนะครับในคิจักของเราก็อยากจะหน้นใจมว่้ลักษณะคิจักที่ควรจะเป็น อธิจริงมากมายแต่ว่าวันนี้อยากจะนําในพระธรรมอเฟซัสที่ได้อ่านไปนะครับกับพระธรรมกิจการที่จะประนุนใจเราประการแรกคิดจักที่มีพระคิดเป็นศีรษะของคริดจักรคิดจักรที่มีพระคิดเป็นศีรษะของคริตจัก ร, ก ร, ม ร, เ, กรเมื่อเราพูดถึงศีรษะเราพูดถึงหัวเนี่ยเนี่ยมีความสําคัญใช่ไหมครับมีพระเยซูคิดเป็นศีรษะของคิดจักเนี่ยคำว่าศีรษะเนี่ย สำคัญพระธรรมอวสัต์จึงบอกว่าเหมือนพระกฤษทรงเป็นศีรษะของคริตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริตจักรเป็นศีรษะเป็นหัวเนี่ยหัวเนี่ยมีความสําคัญเท่าไหรค่ครขาดไม่ได้อวัยวะหลายอย่างของเราเราก็ยังดังเอาออกไปบางส่วนได้มีบางคนอาจจะถูกตัดแขนเพราะติดเชือ้อ ออกไปข้างหนึ่งก็อยู่ได้ตัดขาออกไปข้างหนึ่งหรือสองข้างก็อยู่ได้ตัดปอดออกไปบางส่วนก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้ตัดอวัยวะบางส่วนแต่ถ้าตัดหัวตัดศีษะออกไปเนี่ยอยู่ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได้ว่าถูกตัดคอแล้วยังอยู่ได้ไม่มีอยู่ไม่ได้แต่ว่าแขนออกไปส่วนหนึ่งขาไปส่วนหนึ่งอวัยวะต่าง นะตับไตเส้พุงเนี่ยยังถูกตัดออกไปได้สัปดาห์ก่อนผมไปเยี่ยมท่านรองประธานสภาขึ้นจากศาสนาจารย์ดรรุ่งท่านก็ป่วยนอนที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องที่ปอดเขาตัดออกไปประมาณ 40% ซก็เหลือ 60% แล้วซเราก็ถามอาจารย์รู้สึกเหนื่อยแมอะไรต่างๆนะฮะก็บอกว่าโอเคนะมันก็หายใจเหมือนเหมือนมั น, ม, น, ม, น, ม, น, ม, นมันไม่มันไม่เต็มร้อยอาจจะหายใจได้สักเนยะ นะเพราะว่าถูกตัดออกไป40นะครับมันหายใจไม่เต็มร้อยก็อยู่ได้ครับตัดออกไปแต่ว่าอยู่ได้แต่ว่าถ้าเราตัดศีรษะตัดหัวเนะี่ยคิดจากต้องมีพระฤติเป็นศีรษะนะเป็นสัญนะลสัสีคนส่วนใหญ่คนทั่วไปเราจะห่วงเรื่องของศีรษะมากกว่าส่วนอื่นๆ โดยพระคนไทยก็ถือว่าศิษะหัวเป็นส่วนที่สูงเล่นไม่ได้ฝรั่งก็เจอกันก็ยังลูบหัวได้คนต่างชาติเจอกันลูบหัวได้คนไทยไม่ได้ครับนอกจากผู้ใหญ่อาจาอาจะจับลูบหัวเด็กได้แต่ว่าคนโดยทั่วไปนี่คนไทยก็ไม่ได้ยอมถือว่าโอ้โหเนี่ยมาถึงมาจับหัวลูบหัวกันนี่ยไม่ได้เลยนะครับยิ่งด้ยอยวุฒสูกว่าไม่ได้ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่เห็นว่าศีรษะหรือหัวเป็นสิ่งที่ที่สาคัญเป็นสงาราศีทำไมตื่นเช้ามาใครไม่ได้ดูกระจกบ้างนะเราส่วนใหญ่เราเกือบทั้งร้อยนะครับดูกระจกและสุภาพสตรีก็ดูวันละหลายรอบนะพกเดี๋ยวนี้กระจกที่ง่ายหลายคนก็ดูผ่านมือถือใช่ไหมครับ ดูเข้าหาตัวเองเอดูต่างๆหน้าตาเป็นไงทรงผมเป็นไงก็เช็คตัวเองนั่นก็เป็นส่วนที่สําคัญว่าส่วนหน้าตาส่วนหัวเนี่ยเป็นเป็นส่วนที่สําคัญคิดจักของเราเรามีอะไรเป็นศรีรษะของคิดจกักเรามีพิธีศีกิตไหมเราได้ยินนะครับว่าคิดจักหลายแห่งนะครับมีคนนั้นคนนี้เป็นผู้นำโอเคแต่ เขาเป็นผู้นำครับแต่เขาไม่ใช่ศีรษะของคิดจักเขาไม่ใช่หัวของคิดจักรเขาอาจจะเป็นผู้นําอาจจะเป็นจิตญาพิบาลเป็นศาสนาจารย์จจเป็นผู้รับใช้แต่ไม่ได้เป็นศีรษะไม่ใช่เป็นสูงสุดนะครับไม่ใช่นี้ต่างๆในในการที่จะถือว่าสูงสุดอันนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นในคิดจักยุคแรกไม่ใช่ยุคแรกยุค ผัดมายุกกลางที่มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดการปฏิรูปคิดจักเกิดขึ้นเพราะเขาคิดว่าโอ้ตัวข้าเป็นใหญ่ตัวข้าคือหัวหน้าตัวข้าคือศีรษะของคิดจักนะครับนั้นทุกอย่างต้องฟังหมดก็เลยมีเกิดการปฏิรูปคิดจักเกิดขึ้นงั้นเราก็เองแล้วเราก็ทราบดีว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยคิดจักเขาคิดว่าโอ้ผู้นําคิดว่าตัวเองมีอะไร มีอำนาจสูงสุดจะสั่งอะไรในสวรรค์สั่งอะไรในโลกในสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นจะปิดอะไรในโลกอะไรในสวรรค์ก็ปิดจะบอกว่าคนนี้ขึ้นสวรรค์เขาบอกว่าเขาสั่งได้คนนี้ไปลงนรกเขาบอกเขาสั่งได้จนกระทั่งว่าเกิดในยุคหนึ่งมีการขายใบบุญเกิดขึ้นใครอยากจะมาก็ต้องมาหาผู้นำในเวลานั้น แต่พระเยซูไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระองค์ว่าพระองค์ไถ่พระองค์ช่วยมนุษย์แล้ววงทรงนี้ต่างๆแล้วนั้นต้องให้พี่เยซูคิเป็นศีรษะของคิดจกักนะเป็นคิดจักของพี่เยซูคิดไม่ใช่คิดจักของอาจารย์คนนั้นคนนี้หรือผู้นําคนนั้นคนนี้บางทีแล้วอาจจะเรียกสะดวกของเราเอาไปไหนไปโบสถ์อาจารย์เสมอใจไปโบสถอาจารย์ศิษย์ไปโบสถ์อาจารย์ คนนั้นคนนี้เราอาจจะเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจในแบบของเราโอเคใช่ในในทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเรียกง่ายๆแต่จริงๆแล้วคิดจกักทุกคิดจักเป็นคิดจักของพิเศษคิดเป็นคิดจักของพิเศษปรงทรงเป็นศีรษะของคิดจกักรเราทั้งหลายเป็นส่วนต่างๆของกายท่านเองครับนะครับเราทั้งหลายเป็นส่วนต่างๆของกายนี่อยากจะหน้นใจพี่น้องว่า พีเอสคิเป็นศีษะของคิดจกักไหมคิดจักของเราใครเป็นศีษะประการที่สองที่อยากจะหนุนใจเราคิดจักที่มีการเชื่อฟังพระจชนะของพระเจ้าเมื่อมามาทดลองพระเยซูในมัทธิวบทสี่ข้อสีให้พระเยซูเสกขนมปงังไอ้ก้อนหินเป็นขนมปังก็ดีให้กระโดดลงหอสูงก็ดีให้กราบมัสการก็ดีพระองค์ก็ตัด ไว้ในพระธรรมมัทธิวบอกว่าไงครับมีพระผีเขียนไว้ว่ามนุษย์จะดํารงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดํารงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคํำซึ่งออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้านั้นแสดงว่าสิ่งสำคัญคือคิดจักจะต้องยึดพระวจนะของพระเจ้าแล้วจันพโลก็บอกว่าพระผีทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้ า, าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่า ว, ก า, วการแก้ไขสิ่งผิดการอบรมในทางชอบธรรมก็คือว่านั้น มนุษย์นะครับเรื่องของต่างๆนี้การสอนกันเราต้องเชื่อฟังการคิดจักต้องเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าทำไมเราต้องมีชั้นเรียนตั้งแต่เด็กรลวีนะครับแล้วก็มาถึงเด็กโตอนุชนผู้ใหญ่เะายังต้องศึกษาทีนี้สภาคิดจักก็พยายามเน้นนะครับในเรื่องของการศึกษาพระชนะธรรมของพระเจ้าก็พยายามผลิตบทเรียน หรือหลักสูตรแกนกลางออกมาที่จะส่งไปให้ทุกขี้จักรเพราะว่าขี้จักรที่จะเข้มแข็งได้ต้องเป็นขี้จักรที่เชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าทุกอย่างอาจารย์พี่น้องครับเราจะต้องเทียบหรือเคียงกับมาตรฐานคือพระชนะของพระเจ้าบางทีเราฟังคนนั้นพูดโอ้คนนี้คนนี้ก็หน้าฟังคนนี้ก็หน้าฟังคนนี้ก็หน้าต่างๆเมื่อเราฟังแล้วเราต้องมา ใคร่ครวรมายึดพระชนะของพระเจ้าเป็นหลักถ้าเราเยึดพระชนะของพระเจ้าเป็นหลักไม่ห่วงครับใครจะมาพูดอะไรใครจะมาสอนอะไรใครจะมานำพี่น้องพี่น้องจะไม่หลงไปพี่น้องจะไม่หลงไปเมื่ก่อนไปที่บึงพระพรเขาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้มีคณะหนึ่งเขามาก็ชวนไปบทบสถ์นั่นแหละเราก็บอกว่าเรามาแล้วเรามาบส ท, ที่บึงพระพรแล้วเขาก็ จะไปหาเขาจะชวนให้ไปบสถเขาผมบอกว่าสิ่งที่สําคัญเราต้องฟังก็คือเราต้องฟังพระชนะของพระเจ้าสิ่งที่คํามาสอนสิ่งที่คํามาพูดต่างๆเนี่ยเราต้องยึดนั้นเราต้องสอนพี่น้องของเราสอนสมาชิกของเราในการเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้ายึดพระชนะของพระเจ้าถ้าเรายึดเราติดกับพระชนะของพระเจ้าก็ไม่ห่วงครับสิ่งอื่นๆการทดลองปัญหาต่างๆแต่หลายคนลากไม่ลึก เหมือนพระมพีว่าเหมือนต้นไม้รากไม่ลึกอย่างไม่ลึกไม่ลึกในพระชนธรรมของพระเจ้าคำสอนมาก็ไปนะครับเมื่อมีอะไระตกในหินเป็นไงครับอย่างรากได้ไม่ลึกก็ไม่นานก็เหี่ยวเฉาไม่เกิดผลตกในที่หนามมีหนามคลุมก็ไม่ได้นะครับต้องอยู่ในดินดีอยู่ในพระชนธของพระเจ้านั้นก็จัก ประการที่สองที่อยากจะหนุนใจเราต้องเป็นขิ้จากที่เชื่อฟังก็ขอบคุณพระเจ้านะครับในทุกบรรดาทิ์ก็มีชั้นเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นอนุชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ด้า น, นการยึดพอชนะธรรมของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญคำสอนเดี๋ยวนี้มีเยอะถ้าเราในตั้งแต่เช้าต่างๆสิ่งคำพูดต่างๆในเฟซในไลน์ในอะไรตนะ่างๆเนี่ยหาเยอะแยะ แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องยึดไว้อยู่ตลอดเวลาคือพรชนะของพระเจ้าเพราะบางทีคำต่างๆของมนุษย์นั้นอาจจะทำให้เราเคืิบเคลิมได้หลงไปได้ผมเคยพูดหลายครั้งว่าเดี๋วนี้มานชาตานมันไม่ได้มาแบบสมัยก่อนเสื้อเขียวข้างเก่งแดงหรืออะไรต่างๆถือไม้สามงาม้มเหมือนที่เราเห็นสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันอาจจะมาในลักษณะที่ โอ้โหทำให้เราเกือบเคลิ้มน่ารักผมบอกแล้วโจรเดี๋ยวนี้เป็นโจรใส่สูตรมันไม่ได้เป็นโจรเหมือนเมื่อก่อนนะถ้าเรานึกถึงสมัยเมื่อก่อนเราดูหนังโจรเป็นไงครับต้องไวยหนวดไว้เครามาดูแล้วโอ้โหหน้าตาเป็นโจรแต่โจรทุกวันนี้เราไม่รู้ครับบางทีมาลักษณะโอ้โหใส่สูตรแต่งตัวดีหรืออะไรต่างๆมารซาตานเช่นเดียวกันครับมันไม่ได้มาแบบโอ้โหใส่อะไรอะ เสื้อเขียวกางเกงแดงถือไม้สามงาง้มมาแล้วโอ้โหมาจะมาเหมือนในละครที่เราแสดงกันเมื่อก่อนหรือในรูปภาพสมัยก่อนแต่ไม่ใช่ครับเดือวนี้มันอาจจะมาในภาพที่น่ารักมันอาจจะมาในภาพที่ดูดีมันอาจจะมาในคำสอนที่ดูรู้สึกคืลิมไปจนกระทั่งเราบอกโอ้เหมือนกันนะที่ไหนก็ไม่ต่างกันนะโอ้าศาสนาไหนก็สอนคนเป็นคนดีนะเออเขาก็สอนเราเป็นคนดีบางทีเราก็เคริบเคลมไป สิ่งสําคัญคืออยากจะให้เรายึดพระชนะธรรมของพระเจา้าถ้าเรายึดพะะระชนะธรรมองพระเจ้านะครับเราเราจะไม่หลงออกไปประการที่3ต้องเป็นคิดจักที่มีความรักเมื่อกี้อาจา ร, รย์ก็นําเราอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วพระบัญญัติของพระเยซูสําคัญที่สุดคือรักพระเจ้าเป็นไงครับสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดของท่านแล้วรักเพื่อนบ้านเหมือนรัก ตนเองสองอย่างนี้สำคัญครับรักพระเจ้าแล้วรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เรารักเพื่อนบ้านเกินกว่ารักตนเองหรือน้อยกว่ารักตนเองเหมือนเหมือนคะไม่ได้รักให้รักคนอื่นให้น้อยกว่าหรือรักคนอื่นให้มากกว่าแต่รักให้เหมือนโกลสีจึงบอกว่าจงสวม แล้วจงสวงความรักทับสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งใหถึงใหถึงซึ่งความสมบูรณ์เนี่ยความรักสำคัญครับหนึ่งยนบท4ข้อ12ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถ้าเรารักกันและกันพระเจ้าก็สถิตยอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์ใ น, ในเรานั้นคิอศาสนาของเราหัวใจของเราก็คือความรัก จะเป็นหน้าสิ่งที่ดีขนาดไหนครับถ้าเข้ามาในคิดจักคิดจักของเราเป็นคิดจักที่มีความรักคิดจักบางแห่งบอกว่าชื่อว่าคิดจักแห่งความรักแต่ไปในคิดจักทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ภาพไม่ใช่ภาพของคิดจักคิดจักจะต้องเป็นคิดจักที่มีความรักเข้ามาแล้วรู้สึกสัมผัสความรักในคิดจักได้ ไม่ใช่มาในคิดจักแล้วไม่เจอความรักในคิดจกักจะมีคนเล่าเรื่องตลกๆอาจารย์ก็ถามว่าอา้าใครอยากไปสวรรค์บ้างทุกคนก็ยกมือหลายคนยกมือขึ้นคนหนึ่งก็ยกมือเด็กคนหนึ่งก็ยกมือขึ้นพอยกเสร็จเด็กคนนั้นก็มือลงอาจารย์เอา้าไม่อยากไปสวรรค์แล้วหรือทาไมามือลงผมไม่อยากไปแล้วครับทัตตาสองคนนั้นไป ถามทำไมพราะตาสองคนนั้ชอบทะเลาะกันผมกลัวไปทะเลาะกันที่สวรรค์เด็กก็ตอบด้วยความซื่อของเด็กคิดจักของเรานะครับเราดูในคิดจักของเราเราเป็นคิดจักที่แบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวกแบ่งเป็น ก, แนก็แบ่งเป็นเราไหมหรือเป็นคิดจักที่มีความรักบางทีความรักของเราเราแสดงออกไง อาจารย์ลิคบอลเลนผมเค ย, mm. เ, คยเคยนำแล้วก็เคยพูดบอกว่าการชีวิตที่เคลื่อนไปจะมีวัตถุประสงค์นั่นแหละท่นก็บอกว่าบางครั้งนะครับคําเป็นพยานของเราคําอธิษฐานของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นการนินทาของอื่นไหมโอ้อขออธิษฐานเผื่ออาจารย์ปริญญาด้วยอาจารย์ปริญญาไม่ค่อยมาโบสถอะไรต่างๆเนี่ยสําหรับเร า, เรากําลังอธิษฐานนี่แสดงว่าไม่รู้เราเป็นห่วงหรือเรากําลังนินทาเขา อธิษฐานเผื่อคนนี้ด้วยคนนี้กําลังหลงไปนะครับบางทีการที่เราพูดอาจจะมีความตั้งใจดีแต่บางทีเรากําลังหนุนใจหรือกำลังทําลายเขาไม่แน่ใจเขาบอกว่าบางทีเขาถึงบอกว่าระวังนะครับคําพูดของเราการอาธิษฐานของเราเนี่ยจะเป็นการอาธิษฐานด้วยความหวังดีหรือจะเป็นการนินทาคนอื่นเพราะบางทีมันใกล้กันมากครับ บานคนก็อธิษฐานเสียงดังนะครับโอคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนั้นคิจจักรของเราเนะี่ยอยากจะเห็นบรรยากาศของคิดจักรที่มีความรักเข้ามาในคิดจักรแล้วเต็มด้วยความรักนั่นพี่เยซสูสอนเรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลงังสุดความคิดรักพันบ้านเหมือนรักตัวเองชอบหนึ่งย่อนบทสี่ข้อทีไม่มีใครก็เห็นพระเจ้ามีไหมครับไม่มี แต่ถ้าเรารักกันและกันพระเจ้าก็สถิตยอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราเราไม่เห็นพระเจ้าแต่เราจะเห็นได้เพราะแหละพระเจ้าเป็นความรักเราพูดอยู่เสมอว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักแล้พระเจ้าสอนให้เรารักกันเริ่มก็ด้วยความรักพระเยซูบอกไงเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองเดียวของโปร่งเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตที่รันก็พูดถึงความรักเริ่มต้นก็ด้วยความรักพระเจ้าเข้ามาหาเราด้วยความรักครับมีคนกล่าวว่านะครับเราอาจจะให้หลายๆอย่างโดยที่ไม่มีความรักก็ได้แต่ถ้าเรามีความรักแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ให้ถ้าเรามีความรักแล้ว เป็นไปไม่ได้เท่เาจะไม่ให้เช่นเรารักลูกของเราเรารักครอบครัวของเราเห็น ไ, ไหมเราก็จะให้ไม่มีอะไใครรู้สึกว่าโอ้เสียดายาให้ลูกแล้วเสียดายไม่มีครับเพราะเรารักเขาเช่นเดียวกันครับแต่เราอาจจะให้คนอื่นครับอ๋อเพราะลาคาญเราอาจจะให้เพราะสงสารเราอาจจะให้เพราะเขาบริการ เราเช่นเราไปจอดรถแล้วมาโบกรถให้เราเออก็ให้ไปสิบาทยี่สิบาทเราอาจจะให้เพราะเขาบริการแเราเราอาจจะให้เพราะเออเห็นเขาคนนี้ขาขาดแขนขาดแล้วสงสารเขาแต่เราอาจจะให้ด้วยไม่ไม่ได้เกิดจากความรักแต่ถ้าเรามีความรักแล้วจะไม่มีคําว่าไม่ให้นะครับนั้น ภาพนี้จึงเป็นภาพที่สำคัญที่อยากจะเห็นคิดจากของเราเป็นคิดจากที่มีความรักพูดอย่างครับพูดถึงเรื่องความรักเนะี่ยพูดยากและคานิยามที่อาจารย์ปปะโลก็จริงจจ ร, จรจปโโลให้เพราะละหลายคนก็ท่องอยู่เสมอใช่ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้เราท่องได้แต่พอทำนะทายากใช่ไหครับอะไรที่บางทีมันดูเป็นเหมือนเป็น นำมาทำเนี่ยแต่ว่ามันให้มันพูดยากนะออกมาเป็นการกระทำยากความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้ความรักอิจฉาความรักอดทนนานกระทาคุณให้อดทนนานแสดงว่าไม่ได้จํากัดด้วยระยะเวลานะความรักทนได้ทุกสิ่งแสดงว่าเป็นไงครับไม่ได้จํากัดด้วยชนิดทุกสิ่งไม่ใช่เรื่องนี้ทนได้เรื่องนี้ทนไม่ได้ อดทนนานแสดงว่าไม่มีเวลาไม่มีที่สิ้นสุดนานทนได้ทุกสิ่งแสดงว่าชนิดของมันไม่เกี่ยวครับถ้าเป็นอย่างนี้ทนได้ถ้าเป็นอย่างนี้ท น, นนทนไม่ได้นั้นทนได้ทุกชนิดทนได้ทุกอย่างความรักทนได้ทุกอย่างนั้นอยากจะหนุนใจประการที่สมคืออยากจะเห็นคิดจากที่มีความรักประการที่สี่ที่อยากจะหนุนใจเรา ก็เป็นคิดจักที่บริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์นี่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่า ค, าาววาคําว่าบริสุทธิ์เนี่ยในพระธรรมหนึ่งเปโตรว่ามีคําเขียนไว้ว่าพวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเองคือพระเจ้าเนะี่ยบริสุทธิ์พระธรรมเลวิติตรบอกว่าเจ้าต้องบอริสุทธิ์สําหรับเราเพราะเรายาเวหรือพระเยวานะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้แยกเจ้าออกมาจากชนชาติทั้งหลายพระเจ้าจะเป็นของเรา นะครับแล้วพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทสี่ข้อเบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์เมื่อเขาเรียกคําว่าคําว่าบริสุทธิ์นะครับแน่นอนครับพระเจ้านะครับอาจารย์เสมอใจก็เคยพูดกับเราว่าเมื่อเรามาเนี่ยนะครับมารับความชอบธรรมของพระเจ้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ที่จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นแน่นอนครับเรามารับความรอด แต่ว่าเมื่อเราเริ่มสุดท้ายใครจะรักษาสัญญาไว้จนถึงที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญพระเจ้าให้เราแล้วแต่เราจะรักษาไว้จนสุดไหมเรามาหาพระเจ้าพระเจ้าชําระเราแล้วแต่เราจะรักษาไว้ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากครับทุกวันเราก็ยังเรารู้สึกว่าเรายังยังมีข้อบอกพร่องผมเองก็รู้ว่าเราก็ยังมีมีข้อบอกพร่องเรายังมี ความอ่อนแอเกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องพึ่งกําลังที่มาจากพระเจ้าแน่นอนครับพระเจ้าไทยเราพระเจ้าเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์แต่ธรรมชาติของมนุษย์เราก็ยังมีการกระทำแบบดนั้นเราก็ต้องพึ่งกําลังที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะช่วยเรายังไม่มีใครสมบูรณ์เราไม่มีใครที่บริสุทธิ์ได้หมดแต่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนบริสุทธิ์ คือจเจริญเติบโตขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นแน่นอนอาจารย์ปรอเวอรเมื่อเราเป็นเด็กแล้วก็ทําอย่างเด็กคิดอย่างเด็กไข้ควันหาเหตุผลอย่างเด็กเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องคิดแบบผู้ใหญ่เด็กก็เป็นไงคะคิดแบบเด็กก็อดทนแบบเด็กน้อยอยากได้นั้นได้นี่ไม่ได้ปุ๊บเด็กก็ร้องเดี๋ยวพ่อแม่ก็ต้องให้ไม่ได้ก็นอนชักอ่าบางคนก็นอนชักไปเลยเด็กบางคน แต่โตขึ้นเป็นไงครับรู้จากการอดทนการรอคอยโตขึ้นก็ต้องรู้จากการควบคุมมากขึ้นถ้าเรายังควบคุมไม่ได้เรายัางนี้ไม่ได้ก็ยังเป็นเด็กเหมือนกันครับการบริสุทธิ์ก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้จเจริญเติบโตขึ้นเติบโตขึ้ น, นในทางของพระเจ้าเมื่อมาถึงพระเจ้าไถ่เราพระเจ้าช่วยเราแล้วแต่การดาเนินชีวิตของเราแต่และอย่างแต่และอย่าง นะครับที่เราจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นหลายครั้งเราก็ยังอ่อนแอเราก็ยังตกอยู่จึงไม่แปลกครับหลายคนจนะคิดว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นคริสเตียนนานแล้วยังทานี้ทำไมคนนี้แน่นอนครับการตกอยู่ในความแบบเกิดขึ้นได้กับทุกคนต้องไม่ประมาทต้องไม่ประมาทต้องระมัดระวังอยู่เสมอนะครับพระพีช้างว่า มานมันอยู่รอบๆเราเหมือนสิงค์คำรามอยู่รอบๆเราเนี่ยมันจะกัดกินมันคอยจ้องจังหวะนิดเดียวนะั้นนะ่ะนิดเดียวหลายครั้งวันนี้เราคิดว่าวันนี้ออกจากบ้านเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่พูดไม่ดีเราจะไม่ต่างๆเนี่ยตั้งใจมากแต่ไปนิดเดียวนะครับบางทีรถติดไฟเขียวไฟแดงก็โมโหแล้วรถตัดหน้าเราก็โมโหแล้วอะไรเกิดขึ้นเนี่ย สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เราเจอประจําวันสิ่งใหญ่ๆอาจจะเกิดขึ้นอีกมากมายการทดลองใหญ่ๆมากมายสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องเตือนตัวเราอยู่เสมอว่าพระเจ้าเลือกเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้เลือกเรียกเราเพื่อให้เป็นคนลามกแต่ให้เราเป็นคนบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าของเราบริสุทธิ์ นั like hey, like ้นอาจารย์ปโลถึงว่าให้เราเรียนแบบของพระเจ้าเรียนแบบของพิสุกิตอย่าไปเรียนแบบของมนุษย์เราเรียนแบบของมนุษย์เนี่ยมนุษย์นะครับอาจจะทำให้เราผิดบาังได้บางคนเรียนแบบของมนุษย์เออมนุษย์คนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมเคยเจอนะครับบางคนเนี่ยเป็นเรียนแบบของอาจารย์ที่เขาเรียนด้วยนักเทศคนนี้อย่างงี้ี้บางคนเรียนเสียง มีคนบอกว่าโอ้บางคนเรียนเสียงอาจารย์พอมณนีคำบางคนเรียนเสียงของอาจารย์สมศักดิ์บางคนเรียนเสียงของคนนั้นคนนี้คนนี้ไม่เราเรียนแบบของมนุษย์เนี่ยและอาจจะเรียนได้ภายนอกแต่เรียนจริงๆไม่ได้แต่สิ่งสำคัญที่อาจารย์ปโรบอกว่าให้เราเรียนแบบของพระคลิสดูตัวอย่างของพระคลิปประการที่5ที่อยากจะหนุนใจพี่น้องเป็นคิจักที่มีสง่าราศี คิดจากที่มีสง่าราศีดาวิดตัดว่้ไงครับโซโลโมอนบุตรของเรายัางหนุ่มและอ่อนประสบการณ์และพระนิเวศซึ่งจะสร้างถวายพระยาเวนั้นจะต้องงดงามอย่างยิ่งมีชื่อเสียงและสง่าราศีท่ามกลางบรรดาประเทศทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจึงได้จัดเตรียไมไว้ ดาวิดจึงส่งเตรียมไว้มากมายก่อนพระองค์จะสิ้นพระชนนั้นดาวิดก็พูดถึงว่าสโลมอนจะสร้างพระวิหารแต่ท่านก็เป็นห่วงลูกของท่านว่าไงครับยังหนุ่มและอ่อนประสบการณ์เกรงว่าจะสร้างพระวิหารที่งดงามมีสง่าราศีท่ามกลางบรรดาประชาชาติไม่ได้ดาวิดก็ไปไงครับเตรียมไว้มากมายช่วย กิจจักจะต้องเป็นกิจจักที่มีสง่าราศีเป็นกิจจักที่มีสง่าราศีพระเยซูเข้าไปในพระวิหารเห็นคนซื้อขายของในพระวิหารพระองค์ทำไมครับความโตะผู้รับเงินทั้งความมาผู้นั่งขายนกพิราบพระองค์ตัดเขาว่าไงครับพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิฐานแต่เจ้าทั้งหลายมากระทาให้เป็นถ้ำของพวกโจรคิจจัก คิดจักของพระเจ้ามีส ง, งาาส่าราศีไหมคิดจักของพระเจ้าเป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานหรือคิดจักของพระเจ้าเป็นถ้มของพวกโจรผมถึงบอกว่าหลายครั้งเราก็ไม่เด็กๆนะครับเมื่อเราบอกเขาว่าโอ้มาโบสถน ะ, ะแต่งกายเรียบร้อยอันนั้นก็เป็นเป็นเป็นส ง, งาาส่าราศีหลายคนไปงานหลายงานแต่งตัวเรียบร้อย แต่มาโบสถ์ไม่เป็นไรมาบสถสบายสบายก็ได้มีอาจารย์ที่หลายท่านเคยบอกว่าจริงๆเนะี่ยการมาโบสถ์มีคนหนึ่งเขาเป็นพยานว่างไงถ้าเขาซื้อเสื้อผ้าใหม่สิ่งแรกที่เขาจะทําคือใส่มาโบสถใส่มาถวายเกียรติพระเจ้าก่อนนี่เราก็ขอบคุณพระเจ้าวนว่าที่เขาคิดอย่างนั้นจริ ง, รงๆไม่ได้ไหมายว่าโอ้เป็นสิ่งเพียรเป็นสิ่งไม่ดีแต่อยากจะเห็นว่า คิดจักรของพระเจ้าไม่ว่าตัวเราก็ดีหรือคิดจักรที่เป็นชุมชนก็ดีต้องมีสง่าราศีครับคำว่ามีสง่าราศีไม่จำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าแพงๆไม่ต้องไปซื้อยี่ห้อแพงๆแต่คือสะอาดสะอ้านพระคำไทยมีคำหนึ่งครับว่าถูกกาละเทศถูกกาละเทศทำไมเวลาเราจะไปเฝ้าเจ้านายาบอกว่าวันนี้ ท่านจะมีโอกาสไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์เนี่ยจะเป็นไงครับท่านต้องแต่งตัวเรียบร้อยหลายคนตื่นเต้นเหมือนที่อาจารย์ปบอ้นเคยบอกว่าไงรู้ในหลวงจะเสด็จแม่เขนท่านท่องราชาสับไว้เพราะว่าหมายกำหนดการเนี่ออกล่วงหน้าหเดือนเนี่ยท่านบอกว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยท่องราชาสับ ขอเดชะไต่ป่าละอองทุลีพระบาทปกก้าปกกรมท่องวัดต้องแต่งกายยังไงแต่สุดท้ายไปถึงในหลวงเห็นเป็นฝรั่งยกมือจับมือท่านแล้วก็ถามเป็นภาษาอังกฤษท่านบอกว่าคำที่เตรียมไวไนนะ้อะไรนมันหายไปหมดอันนั้นก็อันหนึ่งพอท่านเห็นว่าเอาเป็นฝรั่งเป็นธรรมเนียมก็ต้องจับมือต้องพูดอันนั้นในหลวงท่าน แต่ของเราล่ะครับร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าเนี่ยเรามีสง่าราศีไหมเรายิ้มแย้มแจม่มใสมีหน้าตามีอะไรต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นส่วนที่สําคัญลูกๆของพระเจ้าส่วนใหญ่จะมีสง่าราศีใช่ไหมครับคนที่มาเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยมันจะมีหน้าตาที่อิม่มเ อ, อิบมีสันที่สุขแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทุกข์ ที่ผมเคยพูดแล้วแม้แต่อาจารย์เบรลิกแกร์แฮมมัยังบอกเลยครับเราไม่ได้ขอให้พระเจ้าเนี่ยเอาความทุกข์เอาปัญหาออกจากเราแต่ขอให้เราผ่านไปได้เช่นเดียวกันครับผมอยากจะเห็นคิดจักรของพระเจ้าเป็นคิดจักรที่มีสง่าราศีรวมถึงตัวโบสถ์ด้วยโบสถ์ทุกแห่งเราก็ขอบคุณพระเจ้า โอ้เขามาหลายคนบอกว่าโอ้มาคิดจักคิดคนาดนักกูนสวยมากอาจารย์สวยมากข้างบนมาเ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเขามาเห็นในตัวโบสของเราสวยสวยจริงครับเฟื่อปู่ไม้ต่างๆคนไปเยี่ยมที่บึงพระพรบอกโอ้อาจารย์สวยนะครับที่บึงพระพรหโอ้ดูข้างนอกมันเหมือนกับทรงโบราณต่างๆเออเราก็โ อ, โอ้ขอบคุณพระเจ้านี่คืที่เขาเห็นตัวโบสแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเขาเห็นพี่น้องตั้งหลายโอ้ขอบคุณพระเจ้านะอาจารย์ เห็นที่น <Jub ilee> ี่มีความรักกันมีความเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันเป็นสง่าราสีเป็นความชื่นชมินดีแต่ไปถ้าผมบอกว่าโอ้ไปคิดจักแห่งหนึ่งวันหนึ่งที่สภาคิดจักนานแล้วหลายสิบปีแล้วมีการประชุมประธานภาคแห่งหนึ่งก็ลุกขึ้นรายงานบอกว่าที่คิดจักแห่งหนึ่งจิตยาพิบาลกับผู้ปกครองทะเลาะกัน ยกเก้าอี้ชัด ก, กันผมก็เข้าไปห้ามผมโดนเข้าไปนิดหน่อยแต่ท่านพูดแบบถ้าเป็นคนจีนท่าก็พูดภาษาจีนว่าที่เคลีจักรท่านก็บอกชื่อนะว่าสิทธิพิบาลกับผู้ปกครองทั้งรักันยกเก้าอีฝฟาดการผมก็ดงเข้าไปนิดหน่อยอผมก็ท่านก็พูดองนี้แล้วก็เอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ครับชื่อเสียงอยู่ที่ไหนสงญาละสีของพระเจ้าอยู่ที่ไหนความรักของพระเจ้าอยู่ที่ไหน สมาชิกทะเลาะกันผู้นําทะเลาะกันอะไรต่างๆเนี่ยมีปัญหากันเนี่ยเราฟังวันนั้นเราก็เศร้าใจครับแม้ว่าท่านจะพูดแบบคนจีนพูดไม่ชัดอาจจะขาสําหรับพวกเราบ้างแต่เราก็คําไม่ออกครับเพราะว่าเราเห็นคิดจักของพระเจ้าแล้วก็เสียดายครับวันนี้คิดจักแห่งนี้นะครับต้องปิดตัวไปต้องปิดตัวไป เพราะอะไรครับเพราะว่าเนี่ยครับคิดจักทะเลาะกันผู้นำทะเลาะกันไม่มีส ง, ง่าราศีครับคนข้างนอกเห็นก็ไม่มีส ง, งาราศีเราจะประกาศให้ใครใครจะเข้ามาหาเราไม่มีครับประการที่หคิดจักต้องมีสามัคคีทำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยากจะหนุนใจวมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นการดีน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่ไหลยอยู่บนศีรษะไหลาอาบลงมาบนหนวดเข่าบนหนวดเข่าของอารอนไหลาอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างบทของบนภูเขาฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริ่เป็นนิดผมพูดหลายที่อยู่เสมอว่าการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นเป็นการดี ดีไหมดีท่านพีว่าเป็นการดีเป็นการน่าชื่นใจแล้วก็เป็นพระพรความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับคิดจากที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ่ะใครเห็นเขาก็บอกว่าดีใครเห็นก็ชื่นใจแล้วพระพรมันเกิดขึ้นครับการเจริญเติบโตเกิดขึ้น เมือนี่ผมยกตัวอย่างเมื่อเมื่อคิดจากที่ทะเลาะกันสุดท้ายปิดปิดตัว พ, อพอระพรไม่เกิดครับเมื่อไม่เกิดการคืนดีเมื่ออะไรต่างๆเนี่ยมีหลายคนครับไม่ใช่จู่ๆปิดไม่ใช่ทะเลาะกันแล้วปิดนะครับพยายามหลายคนพยายามหลังจากนั้นก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจะไปก็ไปไม่ได้ครับในที่สุดก็มีรุ่นคุณพ่อคุณพ่อก็พยายามประคองไว้รุ่นคุณพ่อตายคุณลูก ที่ดินยังไม่ได้โอนเข้าเรียบร้อยคุณลูกก็เข้ามาเลยครับจัดการบอกว่านี่ที่ดินของนี่พ่อนไม่ได้นมแต่ทางทั้งที่มิชนาลีซื้อสมัยก่อนซื้อก็ต้องซื้อในนามชื่อคนไทยใช่ไหมฝากชื่อไว้ก่อนแต่พอพ่อตายปุ๊บเขาบอกว่านี่ที่ดินของพ่อนะนต่างๆฟ้องร้องกันอยู่นานครับเพิ่งจบกันไม่ไม่นี่คือสิ่งที่สุดท้ายตัวตัวโบสถ์ต้องปิดไปนี่คือถ้า ความแตกพัมพีว่าเมืองใดก็ตามราชนาจากใดก็ตามบ้านเมืองใดก็ตามที่แตกแยกกันเนี่ยบ้านเมืองนั้นตั้งอยู่ไม่ได้ที่ยิสูพูดอย่างนั uh ้นครับครัวเรือนใดแตกแยกกันก็อยู่ไม่ได้ราชนาจากใดบ้านเมืองใดแตกแยกกันก็อยู่ไม่ได้คิดจากก็เช่นเดียวกันถ้าแตกแยกกันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยพัมพีก็พูดถ้าท่านกัดกินเนื้อกันเนี่ยก็จะย่อยยับไปตามๆกัน แต่ภาพนั้นไม่อยากเห็นแต่อยากเห็นภาพพระธรรมสุ ด, ดีร้อยสบสานะครับพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งกิเเดียวกันเป็นการดีเป็นการน่าชื่นใจและเป็นพระพรอยากจะเห็นคิดจักของเราได้รับพระพรของพระเจ้ามีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งงานศพคิดจักท่านเคยได้ยินไหมครับท่านอาจจะเคยได้ยินแล้ว งานศพของคิดจักรว่าวันหนึ่งนะครับคนก็มาบดแบบนี้แหละเจอปัญหาเยอะกัเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงคิดจักรก็จะปิดอาจารย์ก็ทำการส่งไปทุกคนว่าขอเชิญมาร่วมชาปนกิจงานศพของคิดจักร มาถึงก็อาจารย์ก็ตั้งโลงไว้ที่ข้างหน้ามีอะไรต่างๆเรียบร้อยธรรมเนียมคนไทยเราอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนจะทำพิธีต่างๆเนี่ยก็จะไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือไปดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายจาได้ไหมครับตอนเด็กๆผมก็เคยไปดูนะครับดูแล้วนะครับออต้องไปดูหน้า ไม่รู้ว่าบางทีญาติแม่ญาติไม่รู้ว่าในคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเราก็ตามภาษาเด็กอ่ะเขาเปิดปุ๊บเราก็ขึ้นไปดูคือที่เผาเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ใส่เข้าไปเหมือนนี้ใช่ไหมครัมันก็ไปตั้งเป็ น, เ ป, นเป็นเชิงตะกรตั้งอยู่ข้างนอกก็โลมก็เปิดเงี้ยฝังก็เหมือนกันครับมันก็หลุมลงไปก็มองเห็นก็จะเปิดครับครั้งสุดท้ายแต่ตอนหลังนี้เขาก็นิยมไม่เปิดอาจจะด้วยหลายๆอย่างนะครับ ทุกคนก็บอกว่าจําภาพที่ดีๆไว้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเนี่อาจารย์ก็บอกว่าโอเคนะเราก็จะไว้อะไรแล้วมาดูเป็นครั้งสุดท้ายคิดจักปรากฏว่าทุกคนไปดูแต่ก็เงียบกลับไปเป็นนั่งเงียบทุกคนไปดูมาไปก็นั่งเงียบสบของคิดจักไปดูก็ไปนั่งเงียบเพราะอะไรครับเพราะอาจารย์ใส่กระจกเงาไว้ข้างในทุกคนไปดูก็อ๋อ ศบคิดจักคือตัวข้าพเจ้าเองศบคิดจักคือตัวข้าพเจ้าเองนะครับถ้ะบอกว่าหลังจากนั้นคิดจักนั้นก็ได้รับการฟื้นฟูเกิดขึ้นเพราะหลายครั้งเราก็จะบอกว่าอ๋ออันนี้อาจารย์อันนี้เป็นเรื่องผู้ปกครองอันนี้เป็นเรื่องมากยกเรื่องคนนั้นคนนี้คิดจักคือเราทุกคนไปดูป้าอ๋อตัวข้าพเจ้าเองทุกคนไปดูนะครับ ไปยืนไว้อะไรนั่นคือสิ่งที่อยากจะเห็นบ้างภาพของคริดจักรของเราเราความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกวันความสามารถคีธรำมีพิเศษคิดเป็นสง่าราศีมีพิเศษคิดเป็นศีรษะมีพิเศษคิดเป็นผู้นําคริดจกักรและเรายึดตามพระชนะธรรมของพระเจา้าผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพลงนี้อาจันร้องได้นะแต่ไม่รู้น่าจะช่วยกันร้อง ช่วกันลักหน่อยเพื่อพระเกียรติแห่งพระนามบริสุทธิ์ให้แล้วรวอยู่ในพระบูรเป็นพระวิหารอันสง่างามของพระวินญา บรสุธให้มันคงเธอให้เรารวมอยู่ไห้พระบูเป็นพเวฮาอันส เจ้าที่จะอวยพระเราทุกๆคนนะครับขอสงบใจที่ฐานพระเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ากับพลโปรงเจ้าพระองค์สูงเลือกเรียกครับองค์ทั้งหลายให้เป็นพิหารของโปรงให้เป็นคิดจักของโปรงซึ่งเป็นที่สถิตของพระมิญามบื่สุดองค์เจ้กข้าชาวนี้ครับองคทั้งหลายได้ทบทวนตัวเองได้ไข่ครวญถึงตัวเองคือคิดจักที่ครับองค์หลายแต่ละคนแต่ละคนรวมทั้งคิดจักของโปรงที่นี่โปรงเจ้าข้าขอพระเจ้าอเมพบพ ร, พอรของโปรงมาเหนือครับองคทั้งหลายทุกคนที่จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมกันในการทำธุรกิจของโปรง่งคิดจักให้เจริญเติบโตขึ้นในทางของโปรง่งสรรและเสริมโปร่งขอบคุณโปร่งขอพระเจ้าได้รับเกียรติเสียงทั้งสิ้นในปณามพิสุขเจ้าอาเมนครับขอบคุณพระเจ้าสํนนหาห ร, ร, รับคําเทศนาของอาจารย์ปริญญานะครับทำให้เราทุกคนได้ฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราฟื้นฟูจิตวิญญาณในการที่จะเป็นคิดจักที่เป็นน้ําหนึ่งเดียวกัน เอมเมนไหยครับเอมเมน